พุทธวัตสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบรอค่ะรายการสันสนิยมสนทนาโดยดิฉันสันสนิยนาพงศ์เป็นผู้ดําเนินรายการทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวเอนะคะเราก็มาพบกับท่านฟังกันอีกแล้วเวลาแบบนี้ผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์เนี่ยก็บอกว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการที่จะให้ธรรมะท่านทั้งหลายดังนั้นเองก็ว่าเวลาไหนก็เหมาะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่คนชมรายการเยอะที่สุดฟังรายการเยอะที่สุด ก็น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดด้วยเหมือนกันในยามที่เราต้องการสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมเนี่ยนะคะวันนี้เราจะขึ้นต้นการเช่นเคยกับการปฏิบัติธรรมสักนิดหนึ่งก่อนที่จะไปฟังการสนทนาธรรมขอให้ท่านทั้งหลายที่อยากจะสะสมแต้มของการที่ได้รับกุศลจากการปฏิบัติก็เตรียมตัวกันให้พร้อมตอนนี้เราก็จะไปพบกับพระจานทร์เพริบุญพิบุญโนจากวัดป่าดอนหายโศอดอนธานีกันเลยนะคะกราบนักการักท่านคะเริยนพาน ในการปฏิบัติตอนต้นของรายการเราก็ให้ท่านผู้ฟังได้มีสติก่อนตั้งสติเอาไว้ในโดยการสังเกตลมหายใจของเราพระเจ้าให้ทําการนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดารงสติเอาไว้เฉพาะหน้าถ้าใครจะนั่งเก้าอี้ก็ได้นั้นดารงสติไว้เฉพาะหน้าโดยการระลึกถึงลมหายใจเข้าระลึกถึงลมหายใจออกเมื่อหายใจเข้า ก็มีสติรู้ชัดว่าเราหายใจเข้าเมื่อหายใจออกก็มีสติรู้ชัดว่าเราหายใจออกแล้วพึงพิจารณาถึงธรรมารมทั้งหลาย4ประการธรรมารมทั้งหลาย4ประการย่อมเกิดขึ้นคือความรักที่เกิดจากความรักความเกลียดที่เกิดจากความรักความรักที่เกิดจากความเกลียด และความเกลียดที่เกิดจากความเกลียดความรักที่เกิดจากความรักเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลในกรณีนี้ซึ่งเป็นที่ปรารถนาที่รักใคร่ที่พอใจของบุคคลอีกคนหนึ่งมีบุคคลพวกอื่นมากระทำประพฤติต่อ บ, บุคคลนั้นด้วยอาการที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่ น่าพอใจบุคคลโน้นก็จะเกิดความพอใจขึ้นมาว่าบุคคลเหล่านั้นประพฤติกระทำต่อบุคคลที่เราปรารถนารักร่พอใจด้วยอาการที่น่าปรารถนารักร่พอใจดังนี้บุคคลนั้นก็ชื่อว่าย่อมทำความรักให้เกิดขึ้นในบุคคลเหล่านั้นนี่แหละเรียกว่าความรักที่เกิดจาก ความรักและความเกลียดที่เกิดจากความรักคือในกรณีนี้มีบุคคลซึ่งเป็นที่ปรารถนารักใคร่พอใจของบุคคลอีกคนหนึ่งมีบุคคลพวกอื่นมาประพฤติกระทําต่อบุคคลนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่ไม่น่าพอใจ บุคคลแรกนอนก็จะเกิดความไม่พอใจขึ้นอย่างนี้ว่าบุคคลเหล่านั้นมาประพฤติกระทาต่อคนที่เราปรารถนารักใคร่พอใจด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่ไม่น่าพอใจบุคคลนั้นก็ย่อมทำความเกลียดให้เกิดขึ้นในบุคคลพวกนนนี้เรียกว่าความเกลียดได้เกิดจากความรักและ ความรักที่เกิดจากความเกลียดคือในกรณีนี้มีบุคคลซึ่งไม่เป็นที่รักไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจของบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งมีบุคคลพวกอื่นมากระทำต่อบุคคลนั้นด้วยาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่ไม่น่าพอใจบุคคลแรกน้อยก็จะเกิดความพอใจขึ้นมาว่า บุคคลเหล่านั้นประพฤติกระทำต่อคนที่เราไม่รักไม่พอใจด้วยอาการที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจอย่างนี้บุคคลพวกแรกนั้นก็ย่อมเกิดความรักทำความรักให้เกิดขึ้นในบุคคลเหล่านั้นอย่างนี้เรียกว่าความรักที่เกิดจากความเกลียดและความเกลียดที่เกิดจากความเกลียดคือมีบุคคล ในกรณีนี้ซึ่งไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใครไม่น่าพอใจของบุคคลอีกคนหนึ่งมีบุคคลพวกอื่นมาประพฤติกระทาต่อบุคคลเหล่านั้นด้วยอาการที่น่าปรารถนาน่ารักใครน่าพอใจบุคคลโน้นก็จะเกิดความไม่พอใจขึ้นว่าบุคคลเหล่านั้นกระทาต่อบุคคลที่เราไม่รักไม่พอใจ ด้วยอาการที่น่ารักน่าพอใจดังนี้บุคคล น, นั้นก็ย่อมชื่อว่าทำความเกลียดให้เกิดขึ้นในบุคคลเหล่านั้นอย่างนี้เรียกว่าความเกลียดที่เกิดจากความเกลียดดังนี้เดินผฟานสาธุค่ะกหมายความว่าให้ท่านทั้งหลายนั้นระวังอยู่ในสมาธิฟังพระสูตรที่ผ่านไปนี้ด้วยมีแต่รักมีแต่เกลียดหลายครั้งเหลือเกินท่านตั้งใจมาให้เราเนื่องจาก ในโอกาสวันแห่งความรักเหรอคะใช่ก็พูดถึงในสัปดาห์ที่เขาบอกว่าเป็นวันเดือนแห่งความรักใช่ไหมเดือนกุมภาเพราะฉะนั้นเรื่องความรักเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงให้ดีเนี่ยมันก็มีความเกลียดแฝงเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นในบทพยัญชนะตรงนี้รักเกลียดเกลียดรักเกลียดเกลียดรักรักอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ถ้าเราใคร่เกลืนแล้วเนี่ยเราจะฉลาดในในวัฏจักรของตัวเองนะอันนี้ในความเห็นของอามาเพราะว่าบางที อย่างเรารักใครสักคนใดคนหนึ่งปรากฏเขาเกลียดคนที่เราเกลียดเหมือนกันเออมันก็ยิ่งทําให้ความสัมพันธ์เราดีขึ้นเพราะเรารักเขาอย่างนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่ทําให้ควรจะต้องเข้าใจว่าเออบางทีเราก็ไม่ไดเยคยรู้จักคนนี้มาก่อนแต่รักกันเกลียดกันแต่เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเหตุเหมือนกันค่ะเมื่อสักครู่นี้นี่เป็นวิธีการตรัสของพระศาสดาอ่าแต่ว่าดิฉันเข้าใจว่าอาจจะมีหลายท่านอยู่เหมือนกันนะคะ <laughs> คือพอฟัง คำว่ารักเยอะๆคำว่าเกลียดเยอะๆควยกันไปควยกันมาก็เลยงงว่าถ้าจะให้ท่านช่วยกรุณาอีกสักครั้งหนึ่งหมายถึงว่าอธิบา ย, าบายใช่ค่ะก็น่าจะเกิดประโยชน์นะคะอื อ, อก็จะอธิบายลักษณะนี้สมมติเรามีสุนัขตัวหนึ่งนะเรารักห ม, มาของเรามากเลยเรารักหมาของเรามากปรากฏว่ามีบุคคลอีกคนหนึ่งบุคคลที่สามนะเขาก็มาให้ อ, หอาหารหมาเรากิน ทําดีๆต่อหมาซื้อของมห้หมาเราเราก็จะรู้สึกรักบุคคลที่3าัวคนนั้นนะบุคคลที่3คนนีเ้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันทําดีกับหมาเรานะทําดีกับสุนัขที่เรารักความรักที่เกิดต่อบุคคลนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นความรักที่อาศัยความรักของหมาเป็นความรักที่อาศัยความรักของเราที่มีต่อหมาเพรา ะ, ะนั้นรักที่เกิดจากรักเนี่ยเกิดที่ตัวเราทั้งสิ้นเลยนะไม่ได้เกิดที่คนอื่นนะ เพราะเรารักหมาเราจึงรักคนนั้นในความรักอันที่สองเนี่ยเป็นผลของการที่เรารักหมาอันแรกทําไมมันจึงเกิดผล น, นี้เพราะเขามาทําดีกับหมาเราเราจึงเกิดความรักที่สองนี้ขึ้นนนี้ถ้าเราทําสมการที่ใครครวนไปเราจะเข้าใจละอันนี้คือข้อที่1เรียกว่ารักเกิดจากความรักตรงนี้ทีนี้ปรากฏว่าถ้าเผื่อว่ามีคนมาทําไม่ดีกับมาเรามาตีมาดึงหาง มาพยายามทำร้ายหมาเราเราก็จะไม่พอใจไอ้บุคคลที่3นั่นแหละเพราะอะไรเพราะมันมาทำอันตรายกับคนที่เรารักหมาที่เรารักเพราะฉนั้นความเกลียดที่เกิดต่อบุคคลที่3เนี่ยอาศัยความพระที่เรารักหมาพระเจ้าจึงบอกว่าอันเนี้ยเป็นความเกลียดที่เกิดจากความรักความเกลียดที่เกิดจากความรักนี่คือกลุ่มคนความเกลียดที่เกิดจากความรักประเภทที่สองทีนี้ปรากฏว่า ถ้าสมมติมีหมาข้างบ้านนะหมาข้างบ้านแล้วเราก็ไม่ชอบหมาข้างบ้านแหละเพราะว่ามันมากัดหมาของเราเรื่อยนะมาทําอันตรายกับหมาเราเรื่อยเราก็เป็นความเกลียดที่เกิดจากความรักละเกลียดอะไรเทานี้เกลียดอะไรเกลียดหมาก็เลยปรากฏว่ามีคนมาทําไม่ดีกับหมาข้างบ้านนะเช่นมาตีมันมาดึงหางมันทําไม่ดีกับมันกับหมาข้างบ้านแล้วเราเห็นพอดีนะเราก็จะพอใจเกิดความรักขึ้นในบุคคลที่3นั้นที่ก็มาตีหมาข้างบ้านเนี่ย ความเกลียดที่อาศัยความรักที่อาศัยความเกลียดของหมานะเราเกลียดหมาเราจึงรักคนที่ทําให้ดีกับหมาที่เราเกลียดนะความรักอันภายหลังเนี่ยเป็นความรักที่เกิดจากความเกลียดเนี่ยมันมีอยูนะ่แล้วสุดท้ายคือความเกลียดที่เกิดจากความเกลียดเนี่ยก็คือสมมติหมาข้างบ้านเราไม่ชอบมันเราเกลียดหมาข้างบ้านปรากฏว่ามีคนมาทําดีกับหมาข้างบ้านมาทําดีกับมันเราก็จะไม่ชอบคนนั้นด้วยอันะนี้ก็จึงเป็นความเกลียด ความไม่ชอบที่เกิดจากความเกลียดนี่นั่นเอง น, นันมีสี่กรณีตรงนี้ค่ะท่านคะอะดิฉันเริ่มรู้สึกว่าเข้าใจวาระจิตของตัวเองมากขึ้นเวลาที่เรารักชอบอะไรเราเกลียดอะไรหรือว่าใครอยากจะถามว่าแล้วประโยชน์จากประสูตรนี้นอกเหนือจากเรื่องได้รู้วาระจิตแล้วอืเป็นเรื่องอะไรคะพระรช า, าบอกว่าในธรรมารมณ์สี่อย่างนก เ, กเนี้ยรักเกลียดเกลียดรักเกลียดกลียดรักเกลียด เราจะต้องละให้หมดเลยละให้หมดเลยทําไมอย่างนั้นละ่ะคุณยมติว่าเพราะอะไรทําไมเราจึงต้องละความรักความเกลียดเหล่านี้คําตอบเรื่องนี้อาจารย์ตอบให้ก็ได้นะเ<ะ>พราะว่พอพรเรารู้อารรจิตของเราแล้วเนี่ยเราพิจรนารณาลงไปเนี่ยเราจะพบว่าเฮ้ยเราเป็นทาตุของอารมณ์นะเราเป็นทาตของอารมณ์เราเป็นทาต ข, ของอารมณ์รักที่เกิดต่อมาเราเราจึงเกลียดคนนู้นเราจึงรักคนนี้เพราะฉะนั้นจิตของเราที่ตกเป็นทาตของอารมณ์ที่เราไปรักหมาเนี่ย เราจึงไปเกลียดไปรักเขาโอ้โหนี่เราเป็นทาตนะเนี่ยแลเราถูกขังอยู่เราเป็นทาตของอารมณ์พระพุทธเจ้าจึงบอกเฮ้ยคุณต้องรักหมดทั้งสอย่างนะอย่าตกเป็นทาตของอารมณ์ไม่ว่าจะรักเกลียดเกลียดรักอันเป็นผลของความรักหรือความเกลียดนะเพราะฉะนั้นถ้าเราละได้เราก็จะเป็นอิสระจากอารมณ์นี้จะเป็นความที่เรียกว่าใจเราสบายนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นหากใครกําลังมีปัญหาเกี่ยวกับความรักความเกลียดรู้สึกว่าโอเรารักเขาเหลือเกิน นะรักแล้วเป็นทุกข์กังวลว่าจะเกิดผลจากการไม่ได้อย่างใจรักใช่หรือเราเกลียดไอ้นี่เจ๋อเกินไหนะไม่รู้จะทํำยังไงมันถ้ารู้เหตุผลว่าบางทีเนี่ยอ๋อเรารู้แล้วบางทีคนไม่ได้เป็นคนที่มีปัญหาต่อกันเลยอยู่ดีๆก็เกลียดกันเห็นหน้าก็ไม่ชอบเราจะได้รู้นะคะว่าเหตุผลเนี่ยจากความชอบไม่ชอบรักไม่รักเกลียดเนี่ยเป็นอย่างไรใช่แต่พระพุทธเจ้าบอกไม่ดีทั้งหมดเลย คือต้องละให้หมดเลยอบางคนอาจจะคิดว่ารักที่เกิดจากรักเนี่ยมันดีเพราะมันคูณสองซึ่งก็อันตรายของมันก็คือว่าถ้ามีใครมาทําอันตรายของรักเราจะเกลียดคนนั้นขึ้นมามันก็เป็นไปได้นี่ก็จึงต้องละมันด้วยความรักความเกลียดทั้งสองอย่าง4ี่อย่างนี้สําหรับเทศการวันไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนที่เขาจะรู้สึกมีความหมายสําหรับ เราซะเหลเกิดเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่อยู่ในอารมณ์ที่รักแบบคูณซองอย่างที่ท่านว่านะคะอันนี้วันนี้ท่านก็เลยจะบอกเลยไงครัว่าฉลองวาเลนไทน์ให้ถูกต้องต้องเป็นฉลองอีกแบบเลยคือแค่ทําความเข้าใจเฉยๆแตนะ่ที่อาจรมาต้องการเน้นในที่นี้คืออย่างน้อยเรารู้ว่าอจิตเรามันขึ้นขึ้ น, นลงล ง, ลงตามอารมณ์เหล่านี้นะละัได้รับไม่ได้เนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเรารู้ถึงวาระจิตเราแสดงว่าเรามีสติแล้วนะคนมีสติอย่างน้อยมันอย่างดี เนะอาจจะละได้บ้างละไม่ได้บ้างอย่างน้อยเรารู้ว่ารจิตของเราเนี่ยมันก็จะค่อยเป็นค่อยไปในความเป็นธรรมาว่าไงนั่นโทษของการที่เป็นทาตของอารมณ์เป็นอย่างไรหรืะคะถึงจะต้องละขนาดนั้นโทษของการเป็นทาตุของอารมณนะ์คือเราก็จะเป็นทาตของมันคือเราเราจะไม่มีอิสระนะคุณโยมติยวเราจะไม่มีอิสระเราจะไม่มีความที่จะไปคิดเรื่องที่เราต้องการคิดเราก็จะหมกมุ่นอยู่ในเรื่องนั้นหรือว่าแม้แต่ เวลาที่เราจะมีเวลาเป็นของตัวเองอหรือว่าเราต้องการจะคิดพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งมั น, มนจะเป็นไปได้ยากแล้วตรงนี้จึงทําให้เราเกิดความทุกขนะ์คำสอนพระเจ้าเป็นไปเพื่ อ, อทําให้ทุกข์มันสิ้นไปเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงต้องตรัสเรื่องนี้ให้มันครบถ้วนส ม, มบูรณ์บริบรูรณ์นั่นเองค่ะประโยชน์ของการละนะคะก็คือทําให้เราไม่ต้องมาเป็นทาตใช่ไหมคะทีนี้ มันสำคัญอยู่ตรงที่ว่าก็อยากละนะแต่เวลามันอยู่ในอารมณ์แบบเนี้ยทําไม่ได้ค่ะเอพระพุทธเจ้าช่วยให้ทําได้ง่ายขึ้นไหมคะหรือช่วยให้ทําได้ไหมคะกระบวนการนี้ก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนนะคือเรายังละไม่ได้แ น, น่นอนถ้าเรายินดีในสิ่งที่เป็นกามตาหูจมูกลิ้นกายเราจะละไม่ได้อ่าทำยังไงถึงจะละได้ละ่ะเราต้องเจริญสมาธิในสมาธิตั้งแต่ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสาชั้นสี่ นะขั้นเบสิกเบสิกพื้นๆสั้นบ้างยาวบ้างก็จะทําให้เราละได้สั้นบ้างยาวบ้างลึกบ้างมากบ้างเพรา ะ, ะนั้นสิ่งที่จะทําให้เราละได้เนี่ยคุณชมติ๋วคือตั้งแต่สมาธิขึ้นไปนะเราต้องมีจิตเป็นสมาธนะิสมาธิก็คือจิตเราเป็นอารมณ์เดียวไม่ได้ไหลไปตามตาหูจ ม, มูกลิ้นกายทำให้เราเป็นอิสระต่อสิ่งที่มากระทบระลักนะทางตาหูจ ม, มูกลิ้นกายนะทีนี้เราจะทําสมาธิให้ได้ยังไงอ่ะมันจะมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงก็ต้องศีลศีลนะก็ต้องมี อย่างน้อยศีลห 5, คุณต้องมีถ้าทําได้ก็ศีลแปดถ้าเรามีศีลแล้วจะมีความไม่ร้อนใจมีจิตเป็นปราโมทย์ปิติเป็นสุขสมาธิเกิดขึ้นได้นะพอสมาธิเกิดขึ้นได้แล้วไออารมณ์4อย่างเนี้มันจะมาทําอันตรายเราไม่ได้นะถ้ามีคนด่าเราเราก็ไม่ ด, าด่าตอบนะมีโกรธเราขึงเคียดเราเ ร, เราก็ไม่ขึงเคียดไม่หักล้านไม่โกรธตอบอันนี้เราจะสบายใจของเราจตลอดเพราะฉะนั้นเหตุ ป, ปัจจัยที่ทําให้เราละได้ แล้วก็คือเรื่องของศีลเรื่องของสมาธินั่นเองเดินตามมรรคแปดนะงมากเมื่อสักครู่เดีฉันจับคําที่ท่านพูดบอกว่าทำยังไงคือจะละได้จะละได้ตั้งแต่สมาธิขึ้นไปท่านพูดอย่างนี้นะคะใช่ตอนใชทีนี้เนื้อจากสมาธิคืออะไรล่ะคะความที่ทีนี้พอจิตเรามีสมาธิปุ๊บเนี่ยเราก็เหมือนกับมีฐานที่ตั้งมีเขาเรียกมีกรอบมีรั้วออย่างดีเนื้อจากสมาธิขึ้นไปที่จะทําให้มันไม่กลับกําเริบอีก นะีคือเราละได้ปุ๊บเอ๊ะบางทีมันอาจจะกลับกำเริบอีกเนะีคือช่วงที่เราเข้าสมาธิปุ๊บเออจิตใจเราก็เย็นดีสบายดีคุณไปเข้าคอร์อสไปฏิบธรรมมาไม่มีปัญหาวันพระคุณไม่นั่งสมาธิได้แฮปปี้แต่ว่ากลับมาบ้านเท่านั้นเองนะีโต๊ะโทราศัพท์ดูทีวีคนนั้นว่านี่นมันเริ่มอารมณ์กลับมาละนี่เพราะฉะนั้นมะันก็ยังมีการกลับกําเริบเนะสิ่งที่จะช่วยให้ไม่กลับกําเริบได้เลยนั่นก็คือเรื่องของปัญญานะีปัญญาในการละการตัดไอ้เจ้าอาวิชาให้มัน ถึงรากถึงโค น, นถ้าตัดถึงรากถึงโคนแล้วมันก็จะไม่งอกขึ้นอีกอะจะไม่กลับกําเริบขึ้นอีก น, นั่นเองอ๋อค่ะอันนี้หมายถึงว่าทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปถูกไหมคะใช่ใ ช, ใชซึ่งถ้าอย่างนั้นใครกําลังมีความทุกจากความรักความทุกจากความเกลียดและดี๋ยฉันคิดว่าสําคัญมากสําหรับคนที่กําลังมีความทุกจากการไปเกลียดอะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักนะคะแต่มันรู้สึกเกลียดแล้วก็อยากจะกําจัด อยากจะกลับไปเป็นชั้นคนเดิมที่ไม่เห็นจะต้องไปเกลียดใครโดยเฉพาะคนที่ไม่รู้จักก็ให้ฝึกสมาธิถูกต้องถูกต้องที่ท่านพยายามให้ฝึกแล้วโดยอ่านพระสูตร ต, ต่างๆในช่วงต้นของรายการนี้ด้วยเนี่ยสมาธิแบบนี้ช่วยไหมคะจะได้มาตื่นฝึกกับพวกเราทุกเช้าใช่นี่เป็นเป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานที่เราทำได้อยู่เรื่อยๆก็จะมีความก้าวหน้าขึ้นไปแ น, น่นอนเดีวนะคะ นั้นก็ถือว่าวันนี้เป็นการให้ของขวัญวาเลนไทน์อีกแบบหนึ่ง น, นะคะ<ช>ไม่ได้บอกท่านว่าไปฉลองที่วัดป่าดอนหายโศกเพราะที่นั่นมีจัดไหมคะสิบสี่เดือนมาค้าบูชาพอดีก็ถ้ามีคนมาเราก็พานั่งสมาธิมีอยู่นะค ะ, อ, ะอยากจะไปฝึกที่นั่นก็ได้ฉลองวาเลนไทน์กับพระพุทธเจ้าเพราะว่าเข้าถึงธรรมของพระองค์เท่ากับเข้าถึงพระศ า, าสดาหรือว่าจะจัดการกับตัวเองแล้วก็ถ้าเป็นจันทร์ถึงศุกร์ในฟังรายการนี้ตอนต้นเรามาปฏิบัติด้วยกันเลย นะคะวันนี้คงจะกราบนมัส ก, การขอบพระคุณท่านเพริบุญแตเพียงเท่านี้นะคะเลี้ยงานนมัส ก, การค่ะท่านฝั่งที่ครบค่ะวันนี้ก็คือรายการสรรนสนาโดยดิฉันสันส น, นาณภพงศ์ก็พยายามที่จะให้หลักธรรมทั้งหลายที่ท่านเพริบุญกับพีปุณโญจากวัดป่าดอนหายโสอุดรธานีนําให้กับทุกท่านเนี่ยเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับการการนี่หมายถึงเวลานะคะแล้วก็นําเอาไปใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้ทันทีไม่ว่าจะกับตัวของท่านเอง หรือว่าบอกต่อไปอยังคนรอบข้างที่เขาจําเป็นจะต้องใช้ในสิ่งเหล่านี้ธรรมของพระศาสดานะคะไม่เคยที่จะล้าสมัยเป็นอมตะนิรันดร์การถ้าจะใส่คําว่ามหาไปอีกก็ได้นะคะมหาอามตะนิรันดร์การนี่ก็ยืนยันว่าเป็นเช่นนั้นถ้าไม่เชื่อก็ต้องพิสูจน์กันรายการนี้จะนําเอาหลักธรรมให้ท่านพิสูจน์ได้อยู่เสมอเสมอติดตามรับฟังกันทุกวันนะคะ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะพุทธวสวัสดีค่ะ